หรืออีกความหมายหนึ่งคือความดีที่บำเพ็ญไว้ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานแสนจันนุ่มนวนยามคืนเดือนเพน็นแสงเย็นให้ใจบำเพ็ญภาวนาน้อมใจน้อมกายตามรอยปูช ในพระบุญญาองค์สังฆราชาไทยสมอง์พระอภิบาลราชันสมดังศูนย์รวมศรัทธาด้วยหัวใจสมทำสายทานที่ยังรินไหลสมคำสมญาเปรียบไว้พระญาณสัง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 อันได้มาโดยไม่ชอบทมเหล่านั้นสมัยหนึ่งในรัชกาลที่5มีหัวหน้าสํานักนางโลมชื่อว่ายญยแฟงได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเพณีในสํานักของตนจากอัตราที่ได้มาครั้งหนึ่ง25สาตางค์แกจะชักเอาไว้5สตางค์สะสมเอาไว้เช่นนี้จนได้ประมาณ 2,000 บาท